วันนี้เป็นวันพุทธที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความศรัท ธ, ธามีความเลื่อมใส ใจพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับใจและกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจทมที่จะมาทมที่จะมาแสดงในวันนี้ เป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือคำสั่งคำสอนที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็จะนำเอาคำสั่งคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนเหมือนกันหมดคือสอนวิธีกาจัดความทุกข์สร้างความสุขให้แก่จิตใจอย่างยั่งยืนอย่างถาวรถ้ามีพระพุทธศาสนา ก็จะต้องมีคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสั่งคำสอนที่สาคัญมีอยู่สามสามข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวง เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกอให้ทำบุญทำความดีต่างๆตามโอกาสตามความสามารถเพราะเป็นการสร้างความสุขให้กับใจและข้อที่สามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกำจัด สิ่งโสกปกที่มีในใจคือกีเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจะทําให้ใจไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าสู่พระนิพพานที่เป็นที่มีแต่บรล ม, มสุขเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนา มีสามหัวข้อใหญ่ๆถ้ามีพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีคําสอนมีหัวใจของพระพุทธศาสนาสามข้อนี้อยู่ด้วยถ้าไม่มีคําสอนทั้งสามข้อนี้อยู่ด้วยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนา น, นี่คือคําสอนที่พระพเจ้าทรงนาํามาเผยแผ่สั่งสอนเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา มีความเนื่องสได้น้อมนํามาไปปฏิบัติเมื่อได้น้อมนํำมาไปปฏิบัติแล้วผลก็คือการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะตามมาความสุขของใจต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดหรือขั้นพระนิพพาน คือสิ่งที่เพราชาวพุทธเราจำเป็นที่จะต้องคำหนึงและให้ความสำคัญและพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ในแต่ละหัวข้าว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบรรลุถึงผลอันเลอนเบิ ที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงก็จะปรากฏตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นชาวพุทธเราจึงควรที่จะศึกษาให้เข้าใจและพยายามปฏิบัติตามให้ได้ในแต่ละหัวข้อด้วยกันหัวข้อข้อที่หนึ่งที่ทรงสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงคือให้หยุดการกระทำบาปไม่ทำบาปต่อไป บาปคืออะไรบาปคือการกระทําท right ี่ทำให้เกิดความทุกข์ความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเมื่อได้ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นความเสียหายให้แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นมันก็จะย้อนกลับเข้ามาหาผู้กระทําเองถ้าไม่กระทําบาปไม่ทำความทุกข์ความเสียหายให้แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นก็จะไม่ย้อนกลับมาหาผู้กระทํา ถ้าผู้กระทาไม่อยากจะมีความทุกข์ก็จะต้องไม่กระทําบาปทั้งปวงบาปนี้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันบาปที่เป็ น, เ ป, นเป็นกรรมและบาปที่เป็น อ, อบายามุขคือเป็นผู้สนับสนุนบาปอีกทีหนึ่ง แบบนี้ก็มีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์ของผู้อืน่นสามการประพฤติผิดในการสี่การพูดปดเพราะการกระทำทั้งสี่อย่างนี้จะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเมื่อสร้างแล้วผู้ที่ถูก พู ท, ที่ได้รับความทุกข์ความเสียหายก็จะต้องตอบโต้ตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากให้มีการจองเวรจองกรรมกันไม่มีการมาร้างแค้นกันก็อย่าไปทำบาปสี่ข้อนี้ แล้วอีอกห้าข้อนี้ที่เรียกว่าอบายามุขนีก็เป็นผู้สนับสนุนที่จะทำให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนันสามการเที่ยวกลางคืนสี่ความเกียดคา้านและห้า การคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นเป็นมิตรการกระทําเหล่านี้จะทําให้นํานําพาผู้กระทําไปสู่การกระทําบาปต่อไปคําว่าอบายามุขนี้ก็แปลว่าทางเข้าอบายอบายคืออะไรอบายก็คือพ บ, พบของผู้กระทําบาปนั่นเองผู้ใดกระทําบาปแล้วเมื่อร่างกายตายไป ดวงวิญญาณก็จะต้องไปเกิดในอบายที่มีอยู่สี่สี่ที่ด้วยกันที่ที่หนึ่งเรียกว่าเดลาชาณถ้าทําบาลด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นเดลฉ า, านที่ที่สองเรียกว่าเปรตทำบาปถ้าทําบาลด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่ที่สาม เรียกว่าอาสุรกายเป็นถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปกิดเป็นอสุรกายที่ที่สี่ก็คือนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองทรรมเทียดแค้นโกเกลียดนี่คือที่จะไปไปสู่ ที่ที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติแล้วผู้ที่จะส่งเสริมให้ไปสู่อบายได้ง่ายก็คืออบายมุกนั่นเองอบายก็คือที่สถานศีที่นี้มุกก็คือทางเข้าถ้าเราไปยืนอยู่ที่ปากประตูของทางเข้ามันก็จะเข้าได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ปากประตูผู้ที่เสียบอบายมุกนี้ จะมีโอกาสที่จะไปทําบาปได้ง่ายกับผู้ที่ไม่ได้เสพอบ า, บายามุกนั่นเองเพราะเหตุใดเพราะการกระทาเพราะการเสพอบ า, บายามุกนี้เช่นการดื่มสุรายาเมาก็จะทำให้ขาดสติขาดสติคือดื่มไปมากๆแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาไม่สามารถรู้ผิดถูกดีชั่วได้ พอคิดจะทำบาปก็จะไม่มีสติยับยั้งก็จะไปทำบาปได้ง่ายในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ดื่มสรายาเมาก็จะไม่ขาดสติจะมีสติที่จะรู้ผิดถูกดีชั่วเวลาคิดที่จะไปทำบาปก็จะมีสติคอยยับยั้งไว้ป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่อยากจะทำบาป ก็ต้องอย่าไปเสษอ บ, บายามุกด้วยเพราะถ้าเสพอ บ, บายามุกแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทํำบาปได้ง่ายขึ้น <C oughs> ข้อที่สองของอบายามุกก็คือการเล่นการพนั น, นการเล่นการพนันนี้ถ้าเล่นเป็นอาชีพเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะต้องหมดเนื้อหมดตัวไม่ช้าก็าเร็ว การเล่นการพนันนี้เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆเมื่อเล่นไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีวันที่จะต้องต้องสูญเสียต้องขาดทุนอพอขาดทุนก็ไม่มีเงินเล่นแต่ความอยากจะได้เงินคืนก็จะลิ่นลนไปโกหกหลอกลวงพูดไปขอยืมเงินเขามาเล่น หรือถ้าเขาไม่ให้ยืมก็ไปลักขโมยเงินของผู้อื่นมาเล่นต่อ<ม>เป็นการทำบาปจากการการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนเป็นนิสัยก็จะทาให้ไม่ชอบไปทำงานเพราะเที่ยวดึกเที่ยวแล้วก็ต้องมีการดื่มสุรายามเมามีการประพุดผิดในกลารพอเงินทางไม่มีพอใช้ ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีม่ชอบ<ม>ไปลักทรัพย์ไปช่อกง<ม>เป็นต้น<ม>ความเกียดค้านก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่มีรายได้คนเกียดค้านก็จะไม่ไปทามาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทอง<ม>ชอบเที่ยวเตะชอบชอบชอบใช้เงินแต่ไม่ชอบหาเงิน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 เที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนแต่เขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนเราให้เกลียดค้านด้วยซึ่งเงินการกระทําเหล่านี้คือการกระทําอบายามุกเหล่านี้มันไม่มีรายได้เข้ามามันมีแต่รายจ่ายไม่ช้าก็เล็วเงินทองที่มีอยู่ก็จะไม่พอใช้แต่ความติดนิสัยการใช้เงินมันก็จะทําให้หยุดใช้เงินไม่ได้เมื่อไม่มีเงิน พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีวิชชอบ mm hmm. ไปลักขโมย mm hmm. ไปช่อกงเป็นต้น mm hmm. จึงไม่ควรที่จะเสบบะบา ย, ยางุก mm hmm. ถ้าไม่อยากจะกระทำบาปถ้าไม่อยากจะรับผลของการกระทำบาป ก, mm hmm. ก็คือต้องไปเกิดนอบายและในขณะที่มีชีวิตอยู่ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ mm hmm. ไปทําผิดแล้วก็จะต้อง ไปใช้นี่อย่างใดอย่างหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าไม่ใช้ก็ต้องคอยหลบหนีหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่อย่างไม่เป็นสุขถ้าไม่ทำบาปแล้วก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องคอยหลบหนีไม่ต้องไปคอยหลบซ่อนเพราะไม่มีใครจะมาตามจับไปลงโทษ <c oughs> นี่คือวิธีการป้องกันความทุกข์ ่เกิดจากการกระทำบาปด้วยการไม่กระทำบาปด้วยการมีฮิเลโอตปะฮิเลก็คือความละอายคนที่ทำบาป น, นี้มักจะถูกประนามว่าเป็นคนไม่ดีถ้าเราละอายไม่อยากจะให้คนเขาประนามเราว่าไม่เราเป็นคนไม่ดีเราก็อยากไปทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปก็จะไม่มีใครมาประนามเรามาว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีว่าเป็นคนเลว ถ้าเรามีฮีรีเราก็จะไม่กล้าทำบาปแล้วก็มีโอตปะโอตปะก็คือความกลัวผลผลของบาปที่จะตามมาเมลาทเราทำบาปแล้วมันก็จะมีผลตามมาอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตามจับไปลงโทษถูกศาลสั่งจำคุกหรือปรับอะไรต่างๆเป็นการลงโทษและเวลาตายไปก็ยังถึงถูกกดแห่งกรรมมาจับไปลงโทษอีกด้วย พอตายไปก็บาปที่ทำนี้ก็จะถูกกดแห่งกรรมมาจัดการให้ไปเกิดในอบายจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจะต้องไปใช้บาปให้หมดก่อนแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อ <c oughs> อันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งของหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการละการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สอง การสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจถ้าใจเราอยากจะมีความสุขก็ให้สร้างด้วยการกระทำความดีอย่าไปสร้างด้วยวิธีอื่นการหาความสุขมันก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ดีที่ปลอดภัยจากความทุกข์ปลอดภัยจากความเสียหายต่างๆ ก็เกิดจากการทำบุญทำความดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมเช่นถ้าเรามีเงินมีทองพอเหลือกินเหลือใช้แทนที่เราจะเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นหรือไปซื้อความสุขทางตาหูจะบกนิ้วกายสู้เราเอาเงินนี้ไปทำบุญบริจาคเงินให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ ให้กับหน่วยสาธารณกุศลต่างๆก็ได้การได้บริจาคทรัพย์เพื่อคุณประโยชน์กับผู้นี้จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาที่จะสะสมอยู่ในใจต่อไปน่าะจะเป็นสเบียงเป็นสิ่งที่จะพาให้จิตใจได้ไปเกิดในสุขคติคือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะได้ไปสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์ แถ้าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือ่าไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูนไปฟังอะไรต่างๆอันนี้เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดก็จะได้ความสุขชั่วขณะที่ได้เสพแต่หลังจากเสพไปสักระยะหนึ่งความสุขที่ได้ก็จะจางหายไปไม่มีอะไรหลงติดตัวติดอยู่ในใจนอกจากความอยากที่อยากจะเสพ อ, อยู่เรื่อยๆ ก็จะกลายเป็นคนติดยาเสพติดไปเวลาตายไปจิตใจก็ไม่มีบุญติดตัวไปก็จะไปแบบขอทางไปอยู่แบบยากจนล an. ้านแค้นไม่ได้ไปสวรรค์แ้ถ้ามีการกระทำบาปก็จะไปไปไปไปเกิดในอบายแทนแต่ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อย ถึงแม้บางโอกาสบางเวลาอาจจะพลาดพลั้งไปเผลอไปทําบาปบ้างก็ตามแต่ถ้าได้ทําบุญไม่มากกับทําบาปบาปก็ยังไม่สามารถจะส่งผลได้ตายไปบุญก็ยังจะดึงให้ใจไปสู่สุคติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้แต่ถ้าไม่ทําบุญเลยถ้าทําบาปเพียงครั้งเดียวเนี่ยบาปก็จะมีกําลังที่จะดึงให้ไปเกิดในอบายได้ทันที อันนี้คือวิธีที่สองของการอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขพวกเราทุกคนต้องการความสุขกันไม่มีใครอยากอยู่แบบทุกข์ไม่มีใครอยู่แบบไม่มีความสุขถ้าอยากจะมีความสุขที่ปลอดภัยที่ถูกที่ถูกกล้งที่ไม่เกิดโทษตามมาก็ควรที่จะหาความสุขด้วยการทำบุญทำความดีต่างๆ ถ้าเราไม่มีเงินมีทองที่จะทําที่จะบริจาคเราก็มีเวลาเราก็มีร่างกายนี้เราก็สามารถทํางานจิตอาสาได้ไปเป็นอาสาสมัครเวลาที่เขาต้องการคนมากๆมาช่วยเหลือกันเช่นเวลาที่เกิดนะเกิดภัยพิบัติต่างๆหรือแม้กระทั่งเกิดสงครามอย่างนี้ถ้าเรามีเวลาว่างเราอยากจะไปช่วยสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความทุกข์ เพื่อป้องกันความทุกข์ให้ให้แก่สาธนะเราก็ไปเป็นจิตอาสาไปร่วมช่วยทำงานเราต้องการคนให้ไปทำอะไรเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้เราก็ไปทำกับเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับการบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆทำแล้วก็เกิดความสุขใจสบายใจ ดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรจะรู้สึกไม่มีความสุขอันนี้คือประการที่สองของหัวใจของพระพุทธศาสนาคือให้เราหมั่นทำความดีกันตามกำลังตามโอกาสของเราตามฐานะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองในการทำบุญเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับวัดกับพระศาสนาเพียงอย่างเดียวทากับผู้ใดก็ได้ ผู้ที่เขาทุกยากเดือดร้อนก็ได้ผู <Yeah. S 2> ้ที่ต้องการความความช่วยเหลือ <Yeah. S 2> ก็ได้โร <Yeah. S 2> งพยาบาลโรงเรียน <Yeah. S 2> องค์กรสาธารณะมูลนิธิต่างๆที่ทาคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคม <Yeah. S 2> การทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้ใจมีความสุข <Yeah. S 2> แล้วจะจะไม่ทำให้ไปอยากจะไปเสพอ บ, บายามุขหรือจะไปทำบาป คนที่ทำบุญนี้มักจะไม่ชอบทำบาป ก, กันก็ mm. จะป้องกันการที่จะต้องไปเกิดในอบายป้องกันการอยู่อย่างมีความทุกข์ยากลาบาก mm. อันนี้คือข้อที่สองของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามันทำบุญอยู่เรื่อยๆตามเวลาตามโอกาสตามกำลังของเรา mm. ไม่มีเงนินมีทางก็ทำเป็นจิตอาสาได้ ไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานของสังค ม, มแล้วเราจะมีความสุขข้อที่สามอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องำํำระสักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าจิตใจของเราตอนนี้ยังไม่ไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างคอยสร้างความทุกข์ให้กับเรา อยู่เรื่อยๆและเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถึงแม้เราไม่ได้ทำบาปแล้วก็ดีความทุกข์ที่เมื่อที่ที่เกิดจากการทำบาปจะไม่มีก็ดีแต่ก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอยู่ถึงแม้เราจะได้ความสุขจากการทาบุญทำทานก็ดีแต่ ใจของเราก็ยังอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นได้เวลาที่เกิดความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหมดไปแล้วความสุขที่เกิดจากการมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวร จะเป็นความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปเั้นการซักพอกจิตใจนี้เป็นภารกิจที่ข้อที่สามที่สําคัญอย่างยิ่งและต้องใช้กําลังใช้เวลามากกว่าการกระทํางสองข้อแรกคือการไม่กระทําบาปหรือการการการทำบุญทำกุศลต่างๆตามโอกาสแต่การชำระซักพอกจิตใจนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองสร้างความวุ่นวายใจต่างๆนี้มันทํางานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่กิเลสตัณหาจะหยุดทํางานชั่วคราวแต่พอตื่นขึ้นมาปับ๊บกิเลสตัณหาก็จะเริ่มออกมาทํางานทันทีคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วเราจึงต้องมาคอยชำระคอยกําจัดกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นการซักพอกจิตใจกําจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปซึ่งแ บ, บ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือหยุดกิเลสตัณหา ให้กิเลสตหาอยู่เฉยๆชั่วคราวไม่ให้มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายที่เราเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิ mm hmm. เวลานั่งสมาธินี้เราจะทําใจให้หยุดคิดพอใจหยุดคิดได้ความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จะไม่สามารถทํางานได้ก็าการที่กิเลสจะทํางานได้นี้จําเป็นที่ต้องมีความคิดก่อน ถ้าไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่พอคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความโลภ ก, ก็จะปรากฏตังขึ้นมาทันทีเห็นข mm ั hmm. ้นแรกก็คือหยุดหยุดกิเลสตัณหาด้วยการหยุดความคิดด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิ mm hmm. นั่งสมาธิก็ให้มีสติคอยระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบเรียกว่ากรร ม, มาฐาน mm hmm. เช่นทําบริการมพุทธโธพุทธโธ mm hmm. ซึ่งเราจะต้องทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิ่นัน้น mm hmm. เวลาที่เราเดินขึ้นมาปั๊บนี่เราควรคอยควบคุมความคิดทันทีแล้วปล่อยให้คิดเดี๋ยวกิเลสทํากิเลสตัณหามันก็จะตามมาทันทีต่อกิเลสตัณหาตามมาความทุกความวุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมาทันทีเห mm hmm. ็นต้องคอยควบคุมความคิด ตั้งแต่ยังไม่ได้มานั่งสมาธิคอยควบคุมมันให้มันมีกําลังน้อยลงถึงแม้จะไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่ก็ให้คิดให้น้อยที่สุดเมื่อคิดน้อยกิเลส ก, ก็จะทํางานได้ได้น้อยความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยความสุขใจความสบายใจก็จะมีมีเพิ่มมากขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ความกังวลใจต่างๆ หยุดไปอย่างเต็มที่ก็จะต้องมานั่งเฉยๆนั่งแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็เจริสติให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือถ้าจะใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจที่ปลายจมกูกดูลมเข้าดูลมออกโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจสั้นหายใจยาวปล่อยให้มันหายใจไปตามเป็นธรรมธรรมชาติของมัน มันจะสั้นก็รู้ว่าสั้นมันจะยาวก็รู้ว่ายาวให้รู้เฉยๆเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆพออยู่กับลมได้หรืออยู่กับพุทโทดได้เดี๋ยวความคิดก็จะหยุดไปพอความคิดหยุดไปใจก็เนิ่งสงบลอยความสุขขึ้นมาความทุกขา ม, มุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจใจก็จะเริ่มคิด พอคิดแล้วเดี๋ยวก็กิเลสตัณหาก็จะปรากฏต่างขึ้นมาได้ปล่ยความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าอยากจะหยุดความอยากนี้โดยโดยใช้ปัญญาก็ต้องให้รู้ว่าสิ่งที่ความอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามล้วนเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของชั่วคราวเวลาที่ได้มามันอาจจะให้ความสุขกับเราตอนใหม่ๆแต่เดี๋ยวสักครั้งหนึ่งมันอาจจะหมดไป พอมันหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถอยู่คงเส้นคงว า, าได้เสมอพระเจ้าจบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับตามมาเป็นธรรมดามเวลามันดับมางทีทำให้เราทุกข์ได้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้อะไรเพราะเ ม, มว่าความอยากนี้นําพาไปสู่ความทุกข์ก็เลยไม่กล้าอยากก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากความทุกข์ก็จะหายไป ใจก็จะสงบเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิได้แล้วจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนต่อไปเมื่อสามารถกาจัดความอยา ก, กต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ด้วยปัญญาเมื่อไม่มีความอยากของเหลือในจิตใจใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกวันนิพพานใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะความอยากที่เป็นเหตุให้พาใจให้มาเกิดในภพต่างๆนั้นก็ถูกทำลายไปหมดด้วยปัญญาการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไปทุกข์ก็จะหมดไปเพราะทุกข์จะหมดต่อผู้ที่ไม่มีการเกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ทุกข์ก็ยังจะต้องมีการตามมา ก็ยังต้องมีทุกข์ตามมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายของร่างกายทุกครั้งไป <c oughs> แต่พอกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้ไปเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่เฉยๆไปตลอดอยู่กับบรล ม, มสุขอยู่ความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขเต็มร้อย <c oughs> ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนี่แหละคือ ความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายที่พระุเจ้าได้ส่งนํามามอบให้กับพวกเราถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้ก็ให้ปฏิบัติหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งสามข้อให้บริบูรณ์คือหนึ่งละการกระทํำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจของเราก็จะได้มีแต่ความสุข อ ย, อย่างย่่งยืนถาวรจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของหัวใจของพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่ <c oughs> ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้แล้วต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธทมกันมาหยุดกิเลสมาทำใจให้นิ่งให้สงบมาซักพอกจิตใจแบบชั่วคราวก่อน คือตามใจให้นิ่งให้สงบหรือถึงแม้หรือแม้ว่าจะไม่นิ่งก็อย่างน้อยก็ขอให้มันคิดให้น้อยลงไปถ้าเรานั่งสมาธิเรามีสติคอยกํากับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเช่นพุทโธหรือการดูรวมหายใจเข้าออกนี้มันจะช่วยบรรเทาลดความคิดต่างๆให้น้อยลงไปตามลําดับถ้าเรายังไม่มีสติมากพออาจจะไม่สามารถทําให้มันนิ่งได้อย่างเต็มที่ แตอย่างน้อยก็ลองไช้มันลงเหลือครึ่งหนึ่งก็อย่างดีจ า, จากการที่คอยคิดวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอมานั่งสมาธิเราก็ทําให้มันคิดน้อยลงไปพอมันคิดน้อยลงไปใจเราก็เบาขึ้นเย็ยนขึ้นสบายขึ้นจะเบาขึ้นเย็ยนขึ้นจะคิดน้อยลงได้ก็ต้องมีสติคือการรู้จักรูอยู่กับอารมณ์ของกรรมาฐานเช่น<ม> จ, จะใช้พุทโธก็ได้ เบื้องต้นถ้านั่งดูใช้พุทโธไม่ได้จะใช้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือใช้การฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ก็ได้ช่วงที่เราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะคิดน้อยลงไปเพราใจเราจะคอจดจ่อยอยู่การฟังธรรมก็เลยทำให้ใจเราสงบลงในระดับหนึ่งทําให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นที่จะควบคุมใจไม่ให้คิดได้มากขึ้นพอเราควบคุมใจได้ไม่ให้หมันฟุ้งซ่านได้เราก็สามารถนั่งสมาธิ แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้<ม>ทำอย่างนี้ไปถ้าไม่ ไ, ไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็นิ่งสงบกอยความสุขขึ้นมาได้<ม>นี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งให้จิตนิ่งสงบให้หยุดกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวตอนนั่งสมาธิจึงไม่ควรคิดอะไรมไม่แต่เรื่องของปัญญาก็ไม่ต้องไปคิดยังไม่ใช่เวลาคิด ช่วงนี้เป็นเรือช่วงของการทำจิตให้นิ่งให้สงบด้วยสติให้มีสติอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้หรืออยู่กับอย่างอื่นก็ได้บางท่านอาจจะอยู่กับอาการสามสิบสองก็ได้หรืออยู่ระลึกถึงความตายก็ได้อารมณ์เหล่านี้จะทำให้ใจนิ่งทาให้ใจไม่คิดทำให้ใจเกิดความสงบขึ้นมา ไดเวลาที่นั่งถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างเดียว <c oughs> ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งสงบถ้าไปตามรู้แล้วเดี๋ยวก็จะคิดเรื่องนั้นเครื่องนี้คิดเรื่องนี้ตามมาแล้วใจก็จะไม่มีวันสงบได้ <c oughs> อันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาในระหว่างที่นั่งอย่าไปสนใจจะเจ็บตรงนั้นปวดตอนนี้ก็อย่าไปสนใจให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธอยู่กับ ลมไปอยู่กับบทสวนมนไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วใจก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบต่อไปอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธิเพื่อชักซักฟอกจิตใจให้สงบให้ซาบชั่วคราวให้มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วจะทาให้มีกาลังใจที่จะปฏิบัติทาให้เพิ่มมากขึ้นไปต่อไป ถ้าต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณเวลาสัก25นาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสนหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรสงบไหมถ้าสงบก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ เพื่อค่าวหน้าเวลามานั่งเราก็จะได้ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยจะได้จะได้ความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบได้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็สแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยต้องพยายามเมจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นพยายามเจริญพุโทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆให้ลดความคิดลงให้น้อยลงไปตามลาดับ แล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวารวะฮาปูราปาริปุเรนติสัครังเอวเมวะอิโตชิ น, นังเตตานังอุปกัปปติอจิตังปะทิตังตุมหังคิดเะเมวะสมิชตัตโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธาเมเนจโตอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันสัพพโรโวินาสสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขิตีกายุโกภวะอภิวาทนสิลิตะนิจจมุธาปจายโน จะตาโรธรร ม, มาวทาทันติอายุวนโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวก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 ทางวิทยุออนไลน์เจ็ดท่านทางคับเฮาส์เก้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิแปดสิบหกท่านรวมทั้งหมดห0ร้อยสี่ท่านครับเชิญถามได้คนะ่นะนิมมัสการ์ะอาจารย์เจ้าค่ะคุณใบยกถามเข้ามาทางยูทูบว่าลูกนั่งสมาธิที่หนึ่งชั่วโมงจิตเบาสบายไม่พุ้งวายไม่ปรุงแต่ง นี่คือลูกทําถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะแต่พอออกมาจิตก็วุ่นวายเหมือนเดิมลูกอยากให้เหมือนตอนที่นั่งสมาธิเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เมตตาชี้แนะลูกด้วยเจ้าคะ่ะก็ทําเหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิคือมีสติคอยควบคุมใจออกจากสมาธิมาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดที่วุ่นวายเพราะใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเราใช้พุทโธพุทโธคอยสกัดไว้มันก็จะไม่ไป เจ้าค่ะทางเฟซบุ๊กคุณพิมพรวัวีในการทำบุญเราควรอธิฐานว่าอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเจ้าคะคือคำอธิษฐานนี่มันมีสองความหมายของทางโลกเขาหมายถึงขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่อันนี้ไม่ใช่เป็นความหมายของทางธรรมทางธรรมเวลาอธิษฐานนี้หมายถึงความตั้งใจ ว่าต่อไปนี้ขอให้ได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเช่เนเวลาจะใส่บาตรก็บอกว่าขอให้ได้ใส่บาตรไปทุกวันอย่างเงี้ยเราต้องอธิษฐานที่เหตุผลเราขอไม่ได้แต่เหตุเราทําได้ถ้าเราทําเหตุแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะตามมายาั้นขอให้เราอาธิษฐานที่เหตุถ้านั่งสมาธิก่อนจะนั่งก็ขอให้ได้นั่งอย่างนี้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเรียกว่าอาธิษฐานจิตเดี๋ยวขอให้นั่งแล้วมีสติไม่ให้ใจลอยไปลอยมา อย่าไปนั่งแล้วขอให้จิตรวมเป็นธรรมะที่นี้ขอไม่ได้ผลขอไม่ได้ขอได้ที่เหตุคือการกระทําของเราเองเจ้าค่ะจากทาง f เฟซบุ๊กกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเราซื้อของฝากญาติผู้ใหญ่แล้วท่านนําไปใส่บาตรใครได้บุญบ้างเจ้าค่ะคือตอนที่เราให้ท่านผู้ใหญ่เนั้นเราก็ได้บุญแล้วไงอ่าเราของนั้นเป็นของท่านนะ้ถ้าท่านเอาไปทําบุญต่อท่านก็ได้บุญ เด้คาคขาจากทางยูทูบพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะวิธีการวางใจละความโกรธ ต่อบุคคลที่เข้าวัดบ่อยๆแต่มีนิสัยชอบนินทาให้รายผู้อื่นอยู่เสมอชอบพูดโกหกมีนิสัยปากว่าตาขยิบจนทําให้เราเดือดร้อนโยมพยายามให้ภัยหลายๆครั้งเจ้าค่ะแต่ทุกครั้งนิสัยเขากลับเป็นหนักกว่าเดิมและมีคนรอบข้างบางคนกลับมาต่อว่าเราว่าทําไมเราเองก็เข้าวัดแต่ยังละความโกรธเขาไม่ได้ น, นถูกต้องนะเรามาละความโกรธของเราด้วยการปล่อยวางเขา เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเหมือนผลไม้เนี่ยผลไม้มันมีหลายชนิดบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะละกอ<ม>ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่เป็นมันก็จะเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนัเราต้องยอมรับความจริงของเขาเขาเป็นคนอย่างนี้ก็ยอมรับไปอย่าไปยุ่งกับเขาถ้า ร, ารู้ว่าเขาไม่ดีก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นเองแต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เจาจากทางยูทูบพระอาจารย์ขอเรียนถามเจ้าค่ะ เ, เทคโนโลยียิ่งทันสมัยจิตใจคนยิ่งเสื่อมใช่ไหมเจ้าขาไม่แน่หรอกเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ก็มีอย่างที่เราใช้กันนี้ถ่ายทอดสดนี้ยสังเทศสั่งทำเทคโนโลยีก็เป็นเหมือนมีดอย่างเงี้ยมีดนี้เราเอาไปทําประโยชน์ก็ได้เอาไปทําร้ายผู้อื่นก็ได้อยู่ที่คนใช้ว่ารู้จักผิดชอบดีชั่วหรือเปล่า ถ้ามีความรู้จักผิดชอบดีเชื่อก็จะใช้ไปในทางที่ดีได้ถ้าไม่มีความรับไม่รู้ผิดถูกดีชั่วก็จะมักจะไปทําในทางที่ไม่ดีนั่นก็ต้องระวังท่านองต้องศึกษาให้ให้แน่ใจกันว่าของที่เรามาใช้นี้ทำแล้วเกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษถ้าเกิดโทษก็อย่าไปทํามันถ้าเกิดประโยชน์ก็ทํามันไปสี่ค่ะอาจารย์ มีทางยูทูบเจ้าค่ะหลวงพ่อครับหลักคำสอนของทุกศาสนาสอนให้คนทําความดีละความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสเหมือนกันใช่ไหมครับกิจที่ควรทํากิจที่ต้องทํากิจที่พึงละการกระทําส่วนใหญ่ก็จะสอนสองอย่างที่คล้ายกันก็คือละการกระทําบาปแล้วก็ทําความดีแต่เรื่องซักขัอวจิตใจนี้รู้สึกจะมีทั้งพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่สอนให้ซักขัอวจิตใจ จากอินบ็อกช่ะค่ะฝากคำถามค่ะชีวิตต้องขับรถเยอะมากในขณะขับรถไม่ควรภาวนาแต่สามารถสวดมนต์ไปด้วยได้ไหมหรือตื่นรู้ภาวนาดีกว่าคะให้มีให้มีสติอยู่กับการขับรถจะดีกว่าใช้การขับรถเป็นการภาวนาไปดูทางดูถนนระมัดระวังมีสติอยู่กับการขับรถอย่าไปขับรถไปแล้วก็สวดมนต์ไปรืออะไรไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็ชนกันคนะ สคาจากทางยูทูบพระอาจารย์กับเรียนถามพระอาจารย์ครับมีวิธีแก้ไขโทศาสตรจลิตได้อย่างไรบ้างไหมครับกับคุณครับโทสะโทสะก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่ถ้าเราไม่มีโทถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความโกรธถ้าเรามีความอยากเราไม่ได้ดังใจอยากเราเราก็จะโกรธแล้ววิธีที่จะแก้ความโกรธก็คือให้ใช้สันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดนะ ชมก็ได้ด่าก็ได้ให้เงินเราก็ได้ของเงินเราก็ได้ได้ทุกอย่างแต่เราจะให้ไม่ให้นั่นอีกเรื่องไหวก็วขอได้แต่เราจะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่เราก็จะเมตตาหรือไม่ถ้าเราเมตตาก็ให้เขาไปถ้าไม่เมตตาก็ช่วยไม่ได้เข่าจากทางเฟซบุ๊กกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราร่วมทำบุญกับคนที่เรี่ยวแรเพื่อไปทำหมันหมาแมว อย่างนี้เราจะบาปใหม่เจ้าค่ะการทำหมนไม่บาปเป็นการระงับการกําเนิดทั้งเองหมาก็ยังอยู่รามเป็นปกติได้ทุกอย่างเพียงแต่ไม่สามารถตั้งขันได้เจ้าค่ะจากทาง y o u ูทูบเจ้าค่ะหลวงพ่อครับคนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเราควรวางใจอย่างไรครับก็คิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะห้ามเขาไม่ได้เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเค ขนาดที่รออยู่นี้มีใครอยากจะเข้ามาถามไหมเข้ามาได้นะเชิญเข้ามาให้ตัวํำลองคำถามํำลองใช่ค่ะอ่ะะานต่อกปได้ใช่ค่ะทางอินบอกใช่ค่ะขอทราบวิธีตัดเวนตัดกรรมกับเจ้าเก่าเจ้านายเก่าได้ไหมคะเวนเก่าเราตัดไม่ได้แต่เวนใหม่เราตัดได้อย่าไปทำอย่าไปสร้างเวนใหม่ แต่สมัยเก่านี่เหมือนหนี้เก่าเนี่ยเราจะเหมาะขอยกเรื่องหนี้ไม่ได้แต่เราอย่าไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอย่าไปกู้ใหม่ขึ้นมาแล้วต่อไปพอนี่เก่าหมดก็จะไม่มีหนี้ใหม่ตามมาอ่เชิญถามได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ อ, อปารามาทรรัศน์จะเป็นยังไงคะความจริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แ, ตแต่ถ้าจะให้เราแปลก็คิดว่ามันความจริงในโลกนี้มีสองแบบเนี่ย ความจริงทั่วไปที่เราสมมุติกันขึ้นมาเช่นพ่อแม่พี่น้องชื่อนั้นชื่อนี้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรนี่เป็นสมมติสัจจะเราสมมุติกันขึ้นมาเราตั้งกันขึ้นมาเองแต่ปรมมัสสัจจะเป็นสัจจะที่ไม่มีใครตั้งมันมีนความจริงของมันเช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเนี้่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตุรู้อันนี้เป็นปรมมัสตัสสัจจะเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะโอเค อีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะเอาเลยลืมแล้วลืมแล้วลอง่าเดี๋ยวจำได้ก็เข้ามาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งป๊มหนึ่งก็ได้เดี๋ยวอาจจะมา่อย่าไปนึกถึงมันถ้ายิงนึกมันยิงไม่มาเลยจากยูทูปพระอาจารย์เจ้าค่ะแกรบดำมัสการพระอาจารย์แกรบสอบถามเมื่อเวทนาเกิดขึ้นปัญญาจะรับรู้การเกิดขึ้นของเวทนา เวทนาไม่ได้ดับลงแต่ยังคงอยู่การรับรู้ยังคงอยู่แต่จิตไม่ปรุงแต่งไม่มีสัญญาและสังขารเวทนาจะดับไปเองตามกฎตรัก์เข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับคือมันจะดับหรือไม่ดับมันก็เป็นมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันดับหรือไม่ดับแต่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันดับเองได้งนั้นขณะที่มันยังไม่ดับก็อย่าไปอยากให้มันดับ เพราะความอยากให้มันดับจะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เราทนไม่ไหวไม่ใช่เพราะความความความเจ็บของเวทนาแต่ที่ทนไม่ไหวคือความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเพราะอยากแล้ใจมันดิ้นใจมันทรมานนั้นเราต้องคอยระงับความอยากที่เกิดขึ้นอย่าให้มันอยากให้มันรู้เฉยเฉยให้มันยอมอยู่กับความเจ็บให้ได้พอมันอยู่กับความเจ็บได้ใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะอยู่กับมันได้ ถ้ามีถ้ามีคําถามว่ายกมือขึ้นได้นะถ้าจําได้เมื่อไหร่ก็ยกมือขึ้นมาได้ถามแล้ว อ, อยากถามเกี่ยวกับคาถาอาคมค่ะมันมีจริงไหมคะสมมติบทบทส ว, บว ด, ดบทใดบทหนึ่งนี้สามารถทําให้คนมีพลังจิตแก่กล้าหรือว่าขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมคะถ้าได้พระอาจารย์ก็ไม่สอนเรื่องกดแห่งกรรมนะเรื่อง อ, าตาอัตตาเหตุทโนนาโถ พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องบรรตัดสร้ไม่นั่งไม่นั่งให้เจ็บให้ปวดขอให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกมันต้องเกิดจากการกระทำของเราถ้าขอได้ยาโยมก็ไม่ต้องทำอะไรกลับไปนอนบ้านแล้วขอขอให้ร่าให้รวยขอให้เป็นใหญ่เป็นโตตายไปก็ขอให้ไปสวรรค์ถ้าขออย่างนี้ได้ก็สบายไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากขอไม่ได้ ศาสนานี้เป็นศาสนา ร, รมไม่ใช่ศาสนาขอไองเข้าใจคะ่ะโอเคกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะพอแล้วเหรอค <c oughs> ำถามตัวครั้งยังจำไม่ได้เลยเ อ, เอาาไเรื่อค่ะจาก Facebook เ, เจ้าค่ะอยากถือศีลแปดแต่หิวแสบท้องมีลมดันขึ้นมาเหมือนจะเป็นลมควรแก้ไขอ ย, อย่างไรหรือมีเทคนิคอย่างไรจึงจะถือได้ตลอดลอดฝั่งคะ ก็ถือศีลเจ็ดไปก่อนก็นแล้วกันแล้วค่อยๆฝึกค่อยๆลดอาหารลงกิน เ, เล็กเทีาน้อยก่อนกินให้น้อยลงกินให้มันครึ่งหนึ่งลดประมาณครึ่งหนึ่งไปแล้วต่อไปมันก็พอร่างกายปรับตัวได้มันก็จะสามารถถือศีลข้อแปดศีลศีลข้อแปดข้อได้เจ้าค่ะมีฝากถามจากหน้ากุฏิเจ้ค่ะนั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นหน้าตัวเอง ทังเครื่องซี่เป็นโครงกระดูกหมายถึงอะไรและควรจะพิจารณาอะไรต่อไปครับขอบคุณครับไม่ควรทําอะไรอย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุทโธพุทโธหรือที่ลมหายใจเราใช้อะไรก็ให้กลับมาที่นั่นอันนี้มันเป็นการปรุงแต่งของจิตขึ้นมาเพราะจิตไม่สงบนั่งสมาธิเราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการให้จิตนิ่งให้ว่างให้สงบแต่ถ้าเรานั่งเพื่อปัญญานี่เราก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้นึกนึกถึงโครงกระดูกขึ้นมา นึกถึงอาการสาสิบสองขึ้นมานึกถึงซากศพขึ้นมาแล้วแต่ว่าเรานั่งเพื่ออะไรถ้านั่งเพื่อปัญญาวิปัสสนาก็ต้องนึกต้องคิดแต่ถ้านั่งเพื่อสมาธิให้หยุดนึกหยุดคิดเช้าค่ะจากอินบ็อกช่ะฝากคาถามค่ะถ้าเราไม่มั่นใจในพระสงฆ์หรือวัดที่เราจะร่วมทาบุญ เราไม่ทําได้ไหมเราเลือกได้ไหมเลือกที่จะกลับพระสงฆ์ที่เป็นพะระปะพระสุปฏิปันโนอย่างเดียวได้หรือไม่เมื่อวัาเราซื้อของออนไลน์ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะมาส่งหรือไม่เราจะซื้อกับเขาหรือเปล่ามันก็เหมือนกันละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องมีความมั่นใจว่าเขามีสัจจะไม่โกหกไม่โ ก, กหกหลอกรวงอาศัยวิธีที่ดูคนอื่นเขาทํามาก่อนถ้าคนอื่นคนส่วนใหญ่เชื่อถือได้เราก็เชื่อถือตามได้ แต่ถ้ามีคนบ่นว่าเจ้านี้ไม่ดีเลยโกหกหลอกลวมอยู่นีเนื่อยก็อย่าไปทําอย่าไปซื้อของอยัดเอาพระก็เหมือนกันพระก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีมีชื่อเสียงเนี่ยถ้ามีชื่อเสียงดีคนก็ไปหากันเนยอะถ้ามีชื่อเสียงไม่ดีก็ไม่มีคนไปหาอันนก็ต้องดูกิติศัพท์ของท่านว่าเป็นยังไงเจค่ะจาก youtube พระอาจารย์จิตมีหญิงมีชายหรือเปล่าคะ ทำไมพอจิตมาได้ร่างกายที่เป็นหญิงหรือชายจึงมีจิตแตกต่างกันเพราะความชอบไงบางคนชอบเป็นผู้ชายก็ได้ร่างผู้ชายบางคนชอบเป็นผู้หญิงก็ได้ร่างของผู้หญิงอยู่ในความชอบของจิตแต่จิตเป็นตัวรู้ตัวคิดเหมือนกันแต่คิดไปทางผู้ชายและคิดไปทางผู้หญิงเยเจ้าค่ะมีมีทางเฟซบุ๊กค่ะขอโอกาสเรียนของปัญญาพระอาจารย์ครับ ในสิ้นปีนี้ทางที่ทำงานมีการเลิกจ้างพนัก ง, งานที่อายุ50ขึ้นไป กระผมอายุ52ปีได้ถูกเลิกจ้างจึงพอมีปัจจัยในการดูแลตนเองซึ่งก็ไม่รู้ปัจจัยหมดก่อนหรือความตายมาถึงก่อนหากยังไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานโยมปฏิบัติตัวเรียบง่ายพออยู่พอกินสันโดษยินดีตามีตามเกิดโยมทำบุญใส่บาตรฟังธรรมพระอาจารย์สุชาติที่บ้านนั่งสมาธิมีโอกาสก็ช่วยงานจิตอศาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาไปนะครับเรียนสอบถามขอปัญญาพระอาจารย์ครับจะ จะตรงเป็นอบายามุก ข, ของความขี้เกียจไม่นะขอรับและที่จะปฏิบัติควรที่ปฏิบัติตัวควรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องให้พระอาจารย์เมตตาแสดงทําแนะนําโยมครับสาธุครับเพราะตราบใดที่เรายังต้องใช้เงินอยู่เราก็ต้องหา <c oughs> ก็ไม่ต้องมีมาตรการใช้เงินให้น้อยมันจะได้ใช้ได้นานๆใช้ประหยัดมัธยัตใช้เท่าที่จําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้มัน อันที่สองก็คือถ้ามีโอกาสหา ง, งานทำได้ ง, งานชั่วคราวได้ก็หารายได้เสริมเป็นพิเศษขึ้นมาคอยเสริมให้เราถ้าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่อยากจะทำแบบนี้ก็ไปบวชถ้าบวชแล้วก็มีกินมีอยู่ไปตนวันตายเจ้าค่จา box, า ะ, าะจากอินบล็อกช่ากราบดําสนงานพระอาจารย์สอบถามว่าตั้งแต่รู้จักธรรมะฟังเทศฟังธรรม รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นความคิดก็ดีขึ้นความอิจฉาความโลภความโกรธเกลียดลดลงมากแบบที่ตัวเองรู้สึกได้มีความรู้สึกเฉยๆมากขึ้นสงสัยว่าทําไมธรรมะเปลี่ยนเราได้อ้าวก็ธรรมะเป็นผู้ปรับปรับคุณภาพของใจเราไงปรับวิธีคิดของเราวิธีคิดที่เคยคิดแต่อยากโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็เปลี่ยนวิธีไม่อยากได้นู่นไม่อยากได้นี่ กอความอยากน้อยลงการกระทำบาปหรือการกระทำอะไรที่ไม่ดีต่างๆก็จะลดน้อยลงไปยังไม่มีคำถามเข้ามาเช้าค่ะโอเคมีไหมมีใครอยากจะถามไหมเพราะจะเลิกก็นนะท่านพระอจารย์คะอย่างที่คนที่ถามเข้ามาเมื่อกี้คะ่ะว่าธรรมะทาให้เรานิสัยดีขึ้นก็แสดงว่าถ้าเกิด เ, เรา มีความก้าวหน้าในการปฏิบัตินิสัยไม่ดีของเรามันก็จะลดลงใช่ไหมคะความโลภก่อนลงก็จะน้อยลงความอยากจะทําบาปทําอะไรก็จะน้อยลงความอยากจะทําบุญก็จะมากขึ้นความอยากจะทําใจให้สงบก็จะมากขึ้นเพราะมันได้ประโยชน์ได้ความสุขจากการกระทําเหล่านี้ค่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ